เทศนาแผ่นที่แปดสดนับที่สิโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคําน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธําในวันที่14กันยายนสองพร้อยห้มีชื่อเรื่องว่าช่างตี เ, ลเหล็กเมือเอ่อใน โบเห็นพอ อ, อสุจิตไว้ทราบข่าวว่าหลวงพ่อสักหน้าแค่ป่วยเนียก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าท่านปวดท้องท่านศักเนี่เป็นเกี่ยวกับท้องมาหลายปีแล้วนะคราวหนึ่งก็ไปที่โรงพยาบาลศรีนครินเนี่ยคราวนั้นเขาก็ตรวจว่าเป็นเนื้อ ง, งอกและในลำไส้ เขาก็ใสเครื่องเข้าไปไปบิดอ่าไปบิดลำไสไปบิดลำใสทันสักปอนะปะปตัดตุ่มมันออกเขาเงียบสงบมาหลายปีปีนี้ก็ขึ้นมาปวดอีกนะที่เป็นโรคเกาบอ่อเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้ยินมาเปนปวดท้องไหลเขาก็อามวามาเป็นได้ไหม ท่านบอกว่าปวดท้องมากก็คงจะให้พระ <c oughs> ไปช่วยช่วยดูเพิ่นอยู่อง์เดียวพระเขาก็หลายองก็บ่นว่าเพิ่นซอยจะคล้องได้มือว่านมือก่รเอือกซอยจะคล้องได้ก็อยู่ไปพ่อมือเศ้าตีหา่าว่าเอาออกไปโรงพยาบาลนำสมก็คงจะปวดมากเยอะมากลุงพ่อก็ได ติดตอ่อไปอยู่แต่ผมไม่พอได้รับสายยังเงียบเงียบอยู่ <c oughs> ให้พระดูดนะติดตอ่อดูจันพออุจิตดูเป็นไงาการมากจะให้พวกเราช่วยเหลืออะไรไหม <c oughs> พอท่านอยู่องเดียว <c oughs> จะไปเฝ้า <c oughs> ไปเฝ้าป่วยไหมถ้าไม่เป็นทําไมไม่จำเป็นหรือวท่านปฏิเสธก็เอาก็ไม่เป็นไร <c oughs> ถ้าท่านเกรงใจเราก็ต้องตามถ้าว่าดูแล้วถ้าท่านไม่มีอะไรก็ไม่เป็นไรถ้าท่านเกรงใจเราก็ควรจะเข้าไปดูวันนี้เป็นวันที่สิบสี่ กันยายนพุทธศักราช2558เมื่อวานผีน้องเทศบาลหนองสาโรงพร้อมกับนายกผู้บริหารเทศบาลเข้ามามากเมื่อวาน <c oughs> คนตั้ง5 6 7 0 0รวมทั้งอำเภอเพนอำเภอหนองบัวซอด้วยเต็มศาลาเลยเมื่อวาน แต่พอมาถึงหลวงพ่อก็ถามว่าเป็นไงครวะตามประเพณีเสร็จเรียบร้อยแล้วจะไปต่อหรือว่าจะฟังโอวาทซะก่อนเขาก็บอกว่าเขาจะฟังโอวาทบอกว่าน่หลวงพ่อก็เลยให้โอวาทประมาณสัก20กวนาทีมั้งจากนั้นก็ได้เลิกลากัน จากนั้นหลวงพ่อก็ได้ไปดูงานที่บ้านสวนที่เขาทําลื้อสาลาแล้วก็พวกขุดสระก็ขุดสระน้ำที่มันเป็นว่างๆอยู่มันเป็นคลองก็ควรจะทาลื้อคลองให้มันเป็นสระน้ำเพื่อได้ใช้น้ำต่อไปพระทางอีสานของเราเนี่ เรื่องน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญมากไม่ว่าอยู่ที่ไหนทางอีสารนราเสีกว่าน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยที่จะต้องช่วยกันคิดนะ่อย่างวัดของเราเนี่ยเรื่องน้ำไม่มีปัญหาน้ำคลองพอมีฝายน้ำล้นที่ลงตามาทำให้เราบางแห่งถึงลึกตั้งสามสี่เมตรยาวเป็นกิโล จากน้าเขื่อนมาถึงไปน้ำวัดน้ำของวัดเราไม่มีปัญหาเพราะนั้นพวกสัตว์สาราสิงพวกงูเหลือมงูจงอางมันชอบน้ำอยู่แล้วมันก็เลยเป็นสัตว์ที่สุกชุมในวัดของเราเพรเป็นป่าดงดิบอีกต่างหากแต่ในวัดทางบ้านสวนทางวัดสำนักชีเราก็นี่แหละเอารถเข้าไปทําเพื่อให้เป็น แหลงน้ำขึ้นมาแต่ก่อนมันก็มีแล้วและแต่มันก็อย่างว่าเองนั่นพอไปมีที่ไหนปลาก็ไปอยู่ด้วยใช่ความร่มเย็นเป็นสุขของสรพรพสัตว์ทั้งหลายเราก็คุ้มครองไม่ให้คนมาจับมาค่ามาฆ่ามันมาจับมันมันก็โอ้โหไม่ใช่ธรรมดามันกันถทามีอกสระนี้อีกหลวงพ่อก็คิดว่า มันก็คงจะเป็นสระ ป, ปลาอีกเหมือนกันนะั่นน่ะโยเยไปหมด <c oughs> แต่ก็คงจะใช้เวลานานพอสมควรอยู่บ้านสวนจะไปดูแล้วมาวานอันนี้นก็คือสำนักเป็นสำนักฝ่ายอุบาสิกาปฏิบัติธรรมสำนักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมฝ่ายอุบาสิกาฝ่ายผู้หญิงและก็มีชีเป็นหัวหน้า ต่อไปก็คงจะเป็นแหล่งปฏิบัติธรรมเป็นกลุ่มของเขาอีกต่างหากเหมือนกับสำนักชีบ้านห้วยทรายลักษณะอย่างนั้นแะแต่ก็มีวัดป่านาะคาน้อยของเราเป็นพี่เลี้ยงให้อย่างวัดป่าคุณแม่ชีแก้วกับวัดป่าพี่เวกวัฒนารามบ้านห้วยทรายนะเป็นพี่เลี้ยง แต่ถึงยังไงก็อย่างว่านั่นะนะการประพฤติปฏิบัติธรรมให้พวกเราทุกๆท่านเรามาเพื่ออะไรอยู่เพื่ออะไรเป็นอยู่ด้วยอะไรกับเพื่อปฏิบัติธรรมหาทางพ้นทุกข์ถ้าเราคิดได้จบเพียงแค่เน้นของเรื่องราวมันก็ไม่มากนะง่ายเพราะเราไม่ได้มุ่งหวังอะไรทางโลกก็ปล่อยขังโลกก็าทำจ้ะ วิชาอาชีพทางโลกเขาเขาก็ทำตามหน้าที่ของเขาเราจะไปกักไปกันไปแสดงความคิดเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปไม่ได้เราก็แนะนำเท่าที่จะแนะนำได้เพราะวิชาในโลกเนะี่ยความคิดเห็นคนในโลกเนะี่ยมันมากหลากหลายเหลือเกินบางทีก็คิดแนวหนึ่ง บางทีเราก็คิดมีถึงมนกันที่เขาคิดนะแต่บางทีก็เขาคิดพอที่จะแนะนำบอกกล่าวกันได้ก็แนะนำไปอย่างวงหลวงตาที่ท่านพูดท่านบอกว่าเหมือนกับช่างเหล็กช่างตีเหล็กถ้าเหล็กดีอยู่แล้วถ้าได้ช่างดีมาเสิร์มเข้าตกแต่งเหล็ก เหล็กนั่นก็นเป็นเหล็กที่ดีก็ใช้ประโยชน์ได้มากนะแต่ว่าเหล็กดีแต่ช่างไม่ดีก็อีกส่วนหนึ่งแต่เด็กไม่ดีด้วยช่างไม่ดีด้วยเละทันมาทันเปรียบเทียบนะคำว่าช่างดีคำนี้คืออะไรมันไม่ใช่แต่ช่างภายนอกนะช่างภายในก็คือใจของเราแต่ละคนด้วย เวลาเราปฏิบัติธรรมเราต้องสังเกตตัวเองนะท่านว่านะ <c oughs> ให้พวกเราสังเกตตัวเองไม่ใช่จะให้คนอื่นสังเกตให้กับเราแต่ส่วนหนึ่งก็คือเอาเมื่อเราได้ฟังธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์หรือว่าจากที่ไหนไหนที่เราฟังแล้วเข้าใจแล้วก็นามาประพฤติปฏิบัติอันนั้นแกแปลว่าเราได้รับ การแนะนำสั่งสอนจากครูบาอาจารย์แต่ถ้าหากว่าพวกเร า, เาได้รับฟังมาแล้วนะแต่ปฏิบัติแต่เราไม่รู้จะเอาอยัางไงแต่ไม่รู้จะเอาอยัางไงในการาวางตัวของพวกเราอันนี้พวกเราต้องสังเกตเลยพวกเราต้องสังเกตตัวเองเลย ถ้าบอกพวกเราไม่สังเกตตัวเองไม่ได้แต่ในครั้งพุทธการพระพุทธเจ้าพระหันทาวกศโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าท่านมองดูสัตวโลกมองดูสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้มีอุปนิสัยมีบุญวัสนาบารมีท่านกวาดยาธรัชนะของท่านของพระองค์ดูในพุทธบริษัทใครบ้างจะได้รับมรรับผล ในการแสดงธรรมในคราวนี้ครั้งนี้เนี่ยอันนี้คือเป็นวิสัยของพุทธะนะท่านก็กวาดสายตากวาดยานรัศนะของพระ อ, องค์รูจากนั้นท่านก็เน้นใครจะได้สาเร็จเป็นขั้นสูงสุดในวันนี้เนะี่ยใครๆบอกใครจะเป็นฮีโร่ในวันนี้ใครจะเป็นที่หนึ่งในวันนี้นะท่านก็เน้นไปจุดนั้นท่านก็แสดงธรรมเพื่อคนคนนั้น ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลแต่คนอื่นเอาไว้ลองไว้ก่อนแต่ถ้าว่ามองดูแล้วเออมันเป็นภาพรวมไม่มีใครโดดเด่นพร้อมๆกันจากนั้นพระองค์ก็แสดงธรรมเป็นภาพรวมอธิพภ า, ายเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาไปนี่แหละอันนี้คือคือเป็นของวิสัยของพุท ธ, ธะแต่ลองลงมาคือคือพระสาวกพระสาวกเนี่ย ถ้าพอผู้ใดเข้าไปถามไทยหรือวท่านรู้ว่าธรรมะจุดไหนท่านก็พยายามเน้นจุดนั้นให้ฟังผู้ที่มาฟังก็ได้สําเร็จมักสําเร็จผลก็มากต่อมากเหมือนกันได้ทับสำเร็จจากภาษาวกอย่างพระ อ, อ น, นุนเนี่ยท่านได้สําเร็จพระโสดาก็ได้ฟังทำพระธรรมพระมันตรีบุตรเทระ นี่แหละท่านก็ได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระสาวกเหมือนกันพระอานุนที่ได้สําเร็จพระโสดาบันทั้งที่ท่านติดตามพระพุทธเจ้าบวชกับพระพุทธเจ้าทั้งที่ฟังธรรมจะได้สําเร็จกับพระพุทธเจ้าท่านได้สาเร็จพระโสดาบันกับพระมัตนีบุตรติดสะเทระประมุตพระมัณฑนีบุตรเถระนี่แหละอันนี้ก็คือแนวแถวของ พระสาวกในครั้งพุทธกาลนะคือเป็นกระจกเงาแต่สําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยเมื่อได้ยินธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์ขององค์หลวงตาพวกเราก็เลยนำแนวความคิดของ <c oughs> ของท่านมาวิปรับปรุงตัวของเราและก็สังเกตตัวของเราอีกต่างหากเนี่ยเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ถัดไปให้สังเกตตัวเองนะ ตัวเองมันชอบง่วงใช่ไหมเวลานั่งภาวนาเราจะทํำยังไงจะแก่วิธีการแก้ง่วงเรื่องเราพักเกินไปหรือว่าเราเป็นยังไงเราปุ๋งฟุ้งเกินไปใช่ไหมแต่ปุง้งฟุ้งเกินไปเราจะใช้กรรมฐานอันไหนอันไหนจะรังงับมันแต่ว่าเรานั่งภาวนาเข้าไปแล้วจิตใจ ม, มันไม่ปลอดโปร่งจิตใจมันอึมครึ ม, มจิตใจมันเทอบ เราควรจะนำกรรมาฐานอันไหนมาพิจารณาหรือกำหนดดูตัวเองอันนี้สุดแท้แต่สุดแล้วแต่พวกเรานะั่นเป็นยาอันดับแรกนะก็เหมือนกับหมอก็ไปหาหมอหมอก็ต้องถามเราอีกเหมือนกันนะคุณเป็นอะไรปวดท้องปวดท้องลักษณะไหนนะนะก็ต้องถามหมอก็ต้องถามคนไข้อีก คนไข้ก็อธิบายแต่ตามไม่จริงคนไข้ก็น่าจะสังเกตตัวเองอีกเหมือนกันถ้าหมอเล็กๆน้อยๆแก้ไขยังไงแต่จากนั้นก็ได้นำยาหรือว่าใช้สิ่งที่เป็นประโยชน์เอามาปรับปรุงแก้ไขตัวเองอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเราก็ต้องเป็นหมอเป็นเบื้อ ง, ง, งแรกตะกอนทางที่ดีนะถ้าว่าไม่รู้ก็จะ มันปวดยังไงหมอเขาก็งงอีกเหมือนกันไม่รู้จะให้ยาแบบไหนอีกเหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็ให้เป็นหมอสำหรับตนเองให้พวกเราสังเกตตัวเองการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่จะให้แต่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนอย่างเดียวก็ไม่ได้นะเราต้องสังเกตตัวเองด้วยอย่านั่งภาวนาวันนี้เป็นยังไงทำไมมันจิตมันไม่สงบ ทำให้มันปุงฟุ้งออกไปแนะมันปุงออกไปทางไหนในขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยให้สังเกต เ, เดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงเมื่อได ร, รับอารมณ์มาอย่างนี้ใจของเรา ม, มันออกไปทางไหนสิ่งทั้งหลายทางปงูงที่เราทางว่าเราเป็นผู้สังเกต ต, ตัวเองนะมันก็ตล่อมเข้าไปสู่ความสงบ หรือว่าตล่อมเข้าไปสู่ในหลักธรรมที่พวกเราพึงพึงปรารถนาคือจะทำยังไงให้จิตใจสงบจะทำยังไงให้จิตใจรู้แจ้งเห็นจริงจะทำยังไงจิตใจให้เบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสให้ตัวเองนะ <c oughs> ให้ตัวเองนะสำคัญอย่าไปใสอาศัายแต่ครูบาอาจารย์คือส่วนหนึ่งครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะเป็นผู้แนะแนวเป็นบู ผู้บอกทางแต่ผู้ที่จะเอาจริงเอาจังจริงๆเน่ยคือตัวของพวกเราเองอืมอกูบาอาจารย์ก็เป็นช่างเท่านั้นเองเป็นผู้แนะนําเราเน่ยเป็นเหล็กนะเราจะเป็นเหล็กไหนเอเป็นเหล็กดีหรือเหล็กออไร้คุณภาพมาทานเหล็กไร้คุณภาพก็ตียังไงก็ให้ตีให้เป็นมีดก็ไม่เป็นตีให้เป็นผ้าก็ไม่เป็น ้ชบให้แข็งเกินไปมันก็แตกถ้าอ่อนเกินไปก็เออเบี้ยวไปเบี้ยวมาผลี่สุดก็ในช่างผู้ตีเหล็กของอ่อน อ, อกง่อนใจเหมือนกั น, นผลในสุดก็โยนทิ้งเข้าป่านะเพราะเหตุไรเพราะว่ามันตีเท่าไหร่มันก็ไม่ไม่เป็นมีดเป็นพระไม่เป็นเหล็กที่จะเป็นประโยชน์ต่อไปไปได้ อันนี้ให้พวกเราดูของเราดูของเราเอีกเหมือนกันนะเราในเป็นเพศประเภทไหนห ล, ละแลอ่อนแอเกินไปหรือเปล่ า, เ, าเรื่องว่าจิตใจของเราเป็นยังไงให้พวกเราสังเกตนะให้ใช่ให้เป็นนักสังเกตตัวเองนะหลวงพ่อว่าถ้าเป็นนักสังเกตตัวเองแนละ้วจะเอาตัวรอดได้นะถ้าไม่สังเกตตัวเองนะไปไม่รอดเหมือนกันนะศรัทธายาโยมพระเดชลูกลาน อา <c oughs> ตอนนี้ไปรับพร